เมื่อรวบรวมใจความแล้วเทธตัวสติเป็นใหญ่ในที่ใดทั้งหมดที่ในสกที่ิฎกท่านแดงไว้ที่ใ ด, ท, ดทั้งหมดรวมความลงสติตัวเดียวเราก็เคยพูดอยู่แม้มีสติสตังเคยพูดกันอยู่ทำมาได้ทั้งสุดสือสติส ป, ปัญญา มาด้วยกันยิ่แต่ทางพุทธศาสนาเมื่อรวมแล้วเอาสติเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนารมศาสนาอย่าลืมตัวสติตามันอย่าลืมสตินั่นให้ตั้งมัน่น สตินั้นให้พร้อมอยู่เสมอทุกเมื่อเมื่อจสติพร้อมอยู่เสมอแล้วตัวปัญญาคือสตินั่นแหละปัญญาคืออะไรคือรู้ตัวเห็นตัวอยู่ทุกเมื่อคิดดีคิดชั่วอยากละเอียดเห็นตัวอยู่ทุกเมื่ออันนั่นแหละปัญญาปัญญาที่คว้างขวางเม้จะ พ่วงไว้เท่าไหร่ก็ดีก็มาหลวงอยู่ที่ตัวสติตัวนั้นถ้าสติไม่มีเสร็จแล้วปัญญาก็จะไม่เกิดเกิดก็ไม่รู้ปัญญานี่ยคือสิ่งสารพัดทั้งวงมดที่มากระทบจิตเกิดความรู้สึก น, นั่นตัวปัญญาถ้าหากสติไม่มีเสรแล้ว รู้สึกขึ้นธอไม่รู้ตัวไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไรแค่ไม่รู้สึกตัวสตินีนจริงเป็นหลักสำคัญเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนนยสงสาวกทั้งหลายฟังเทศถึงที่สุดคือว่าพระที่มาฟังเทศพุทธเจ้า เทศึงที่สุดคือหมายความถึงมรรคผลนัพพานที่สุดจะคือสติตัวนี้แหละแต่หากว่าผู้ทำนั่นอ่ะจะถึงหรือไม่ถึงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจึงเทสนาวะเทศนาให้ฟังว่าเทศถึงที่สุดแล้ว มดทาน้เรื่องศาสนา ต, ตัวที่ติตัวแล้วกับมดทที่จะเป็นไปได้งาประยจะเท่าไหร่ก็มันอยู่ที่ตัวของเราอย่างเราตั้งสติคำนดกลายของเราพิจารณาอยูแแอย่แน่วแน่อยสติแน่วแน่ยนั้น ไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตก่อนนะพูดถึงเรื่องกางก็พอพิจารณากายนี้จนเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่ส ต, ตัวตวนบุคคลเราเขาทัคำที่ว่าไม่ใช่สัตไม่ใช่ตัว ต, วตวนหรือบุคคลเราเขานั่นทำหนาจสติตัวเดียวสติแน่ๆลงไปแล้วพิจารณาลงไง ไมให้ไปที่อื่นไม่ใช่สัตว์จริงๆไม่ใช่ตัวตนเนี่จริงแล้วเขาหายทั้งนีน้ไม่ใช่ทั้งนั้นเป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งเกิดมาซึ่งก่อขึ้นมาแล้วจลายไปก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็ลายไปไ ม, มีอะไรเหลือหรอคนเรา หรือสัตว์ทางทวงมดก็เหมือนกันไม่มีสาระอะไรเลยเยังเกิดขื่อมาทนทุกข์รมาณอยู่ชั่วคู่หน้าหนึ่งแลว้วก็ดับสลายไปสลายไปสู่สภาพเดิมเข้ามาคือดินน้ำไฟลมตัวของเราเนี่ยออกมาจากดินน้ำไฟลมสลายก็จะเป็นดินน้ำไฟลม เทนั้นมดเรื่องใครจะทํ า, อ, าทอะไรใครจะเป็นอะไรก็เป็นเ ถ, ถ้าแสลายไปเท่าเก่ามันจะลายไปอย่างนั้นนะครมันจะเป็นอะไรได้ครับไม่ใช่สัตว์สัดว์ก็ไม่แข็งน่าเซนอยู่อย่างนั้นบุคคลตัวตนรละของก็ไม่แข็อะไรทั้งนั้นไม่แข็งทั้งนั้นนเป็นสภาวะหนึ่งของมันตัางหาก ที่เกิดขึ้นมาที่เรียกว่าแขนขาหูตา้ายจมูกรีบกายอันนั้นสมมุติมันยัด้วยติดสมมติมัญญัดเหล่านี้แหละจึงไม่เห็นสภาวะเมื่อละสมมติมันยัเหล่านี้แล้วลญญลลจะเห็นสภาวะเป็นขึ้นมาแล้วจะสลายไปอย่างนั่นจึงว่าไม่ใชยสัตว์ต้นบุคคลของเขา ทันพูดถึงตอนนี้ถึงมิปรัชนาเรียกว่าปรัสนาแตครานี้คนที่จะเห็นเท่ยนั้นไม่เหมือนกันจะเห็นจริงลงอย่างนั้นคือไม่อยู่ที่สติถ้าสติเราแก่กล้ายังจริงแล้วไปกว่านั้นอีก เห็นเฉพาะส่วนตัวพูดไม่ถูกบอกไม่ได้ของนั่นไปจักไม่ใช่ของตนเองที่สมมติผมย่ญญาจนเป็นใจผืนถืงเวทนาความเสวยทุกข์สุขต่างๆอะไรเป็นคนเสวย าจไม่ใช่สุขทุกข์แท้จริงคือใจเป็นคนทุกข์คนสุขใจคนเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีใจแล้วคนตายไม่รู้สึกอะไรหรอกถ้ามีใจแล้วก็รู้สึกใจตัวนั้นเนี่ยเป็นคนเศยสุขเศยทุกข์ดีชั่วหยากละเอยียด อยู่ที่ใจนะใจก็เช่นเดียวกันสเสวยแล้วก็เกิดขึ้นมาสเสวยดับไปสเสวยขึ้นมาอันหนึ่ง<ม>อ้เก็ดับไปอนนันอื่นเข้ามาสวยใหม่อีกเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นเดียวตลอดเวลาความสวยนะดับปะเป็นอะไรไม่ทราบเด็นอะไรหายไปนะิดจับ อย่างสมมุติแต่เดียวนี้แหละความเมื่อยความหิวความหอยความกระหายอยากน้ําเจ็บมึนต่างๆหรือความทุกข์ต่างๆที่เป็นมาแล้วมันไปไหนเวลานี้ไปไหนมันไม่มีเวลานี้มันเคิมาแล้วมันดับไปแล้วที่นู่น เดี๋ยวนะเดี๋วเมือ่อวานเมื่อซื้อเนี่ยคุณเกิดมาแล้วกะดับันแต่คุณคอนจะมาพอียนี่ก็เกิดมาแล้วก็ดับไปอยู่เดียกขณะ น, นี้ความสุขความทุกข์หรือะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ถ้าเว้แล้วก็ดับไ ป, ด, ด, ไ ด, ด, ด, บไปดับไปไปไหนครับไม่ทราบตัวใจตจ้นั้นเป็นของยุด คคมันเพิ่งเพเกิดขึ้นมา้าใจตอนนั้นเน่ยยึดไม่เกิดนั่นจริงวะไม่ใช่สัตว์ตั ว, ตวโนบุคคลเราเข า, เขาไม่มีตนมีตัวเลยเวทนาหาสาระไม่ได้ยจิตอนนี้ว่าถึงเรื่องจิตถ้ามีตัวมี ต, ม ต, มตนจริงอะ ความคิดความนึกเรียกว่าจิตคิดนึกสงสัยในที่ต่างๆปรุงแต่งในมีต่างๆเรียกว่าจิตคิดนึกปรุงแต่งไม่มีตัวมีตัวแต่การกดเกิดขึ้นภายในบอกใครก็ไม่ได้รู้โดยใจของตนเอง คิดมากคิดน้อยคิดยากทีดละเอียดจะคิดในที่รดได้ผมว่ปรงแต่งในที่นั้นผมว่ามันปรุงไว้าจากไหนมันปรุงจากความยึดความถือมันหายไปอยู่ไหนแต่ตั้งอยู่ไหนไม่มีที่ตามมันก็หายซึ่งหายสงหายวัตถุไปไนเลยนะจิตตรงนั้น มันหายไปไม่มีเลยมันทนั้งมีอยู่นะเนี้ยแต่มั น, นก็ากหดคืนไม่ไป ย, ยึดพิยงว่าจิตนั่นเน่เป็นอาการของใจใจจะมีตัวหนึ่งอยู่เป็นประธานเนี่ยถ้าไม่มีประธานไนแล้วมันก็ไม่มีกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีประธาน คือตัวใจรู้สึกตัวใจแต่ว่าไม่คิดไม่นึกจะมีความรู้สึกอีกใจคิดนึกเป็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นจิตนี่แหละคิดนึกแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาหายไปหายไปไม่มีแกนไม่มีสารไม่มีที่ตั้ง อยู่ไหนก็ได้จึงว่าไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลแล้วเขาจะเรียกว่าสัตก็ไม่ใช่ตัวตนหร้อตนอะไรก็ไม่ใช่วัดตนก็ไม่มีถ้าไม่มีก็มีมีเพราะกลมถือกลมยึดกลมถือไม่มีความมายุดไม่ดีนั่นว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาใครก็ไม่ใช่คุณน้องคนนี้ก็ไม่ใช่อะไรทั้งวัดไม่ถูกไม่ใช่ทัางนั้นแต่หากมีอยู่ อันนั้นเรียกว่าจิตการุปัสนาปฏิสถานเป็นปัญญาวิปัสนาส่วนหนะึ่งข้อที่สัรวบรวมทั้งเวททั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งสามอย่างนี้แหละอย่างที่อธิบายมาแล้วนะั่เรียกว่าธรรม ไมใเป็นตนเป็นตัวเลยแค่ว่าเป็นตัวคือกายนี่ก็เป็นตัวพเพราะความเป็นที่ออเศรษนาจิตกเป็นตัวออเอราลควาเป็นทออกแล้วก็สลายดับไปอันนั้นเนธรรมนั้นเรียกว่าธรรมท่านเรบอก ว, ว่าธรรมนี่เป็นอนัตตา เป็นของไม่เพียงกันอนัตตาสเพเทธรรมานตาหาสาระนี่ได้อนัตตาเข้าใจของมีแต่ว่าไม่มีของมีแต่ว่าไม่มีสาระคือมันเกิดดับเกิดดับอย่างอธิบายอเรียกว่าอนัตตา ไม่ใช่ของไม่มีของไม่มีจะเรียกอนันตตาได้อย่างไงมันต้องมีสิมีแล้วจึงจึงเรียกมันไม่มีรารจึงเรียกว่านับตาธรรมะตอนนี้เป็นของลึกซึ้งละเอียดหน่อยแต่หากว่าเราตั้งใจที่จะดา น, นา ทำในทีตอิบาวมันนี่เขออไาไม่ละเอียดไม่ลึกซึกงเลยจึงให้ตั้งสติตัวเดียวนี่แหละสติปัฏฐานตัวเดียวนี้แหละคำน ố กายคำน ốt เวทนาคำนดกิจธรรมอยู่ไหนอยู่ไหนก็อเอาเถอถ้ามีสติอยู่แล้วเป็นตัวใช้ได้ สติตัวหนึง่งคิดตัวหนึง่งสตินะ่เป็นผู้รู้ตัวรู้สึกอยู่เสมอรู้สึกเนี่ยรู้รู้สึกอะไรรู้สึกความคิดตรงนี้กันคิดนย่างไรรู้สึกคิดอั่างไรถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้ว <c oughs> เป็นอนุาพภาวานาอยู่ตลอดเวลา ยืนเดินนั่งนอนอินาบุตรได้เลยสมมไม่ขาดเพาจากภาวนาเพราะภาวนาก็ไม่ใช่อื่นใครอะไรหรอกคืออบรมใจสติอบรมสตินั่นเองสติเห็นใจนั่นเองภาวนาไม่ใช่ไปนอกฟ้าเหนอนอกฟ้านอกไปดินที่ไหนหรอก เพานาทุ่งนี่แหละส่ า, ายที่เวลาจิตธรรมนี่แะให้เห็นสติให้รู้ตัวจิตทุกเยียบุตรแม่มีเวลาบางคนบอกว่าไม่มีเวลาจะเอาเวลาไหนคันเราไม่เอาเวลาเวลาที่พิจารณาอยู่นะันจะไปเอา ไปไว้ที่ไหนเวลานะั้นเขาไปไว้ที่ไหนเขาไปยุ่งอยู่นะหนึ่งยุ่งกับสติควบคุมอยู่นะหนึ่งสิเขาไปไหวกับการทํางานก็สตินะั่นตีคุมการทำงานเขาไปไหวไหนเที่ยวไม่มีเวลาถ้า ม, มีเวลาเมื่อก็คนเรานนะ่ยถ้ามันมีเวลาหมายความ่คนตายแล้วที่ไม่มีเวลา คนยังมีอยู่ชีวิตยอยู่กับเวลาละทีความคิดความนึกอนะไรนั่นนิเวลานึ่งสิจิคุมเวลา น, นแค่ให้สุขสบายแค่ก่อนยังค่อยภาวนาสุขสบายแล้ไม่ต้องเลยไม่พิจารณาอะไรมันก็ไม่เป็นธรงมนานีน่มันไม่สุขไม่สบายอนนะ่ร มันวุ่นวายยุ่งอนนะนะชึงค่อยตั้งสติพิจ า, ารณาคนเราประมาทเมื่อสบายแล้วลืมดประมาทลืมหมดไม่คิดนึกถึงเรื่องจิตไม่คิดถึงเรื่องจิตของเรามันย่งยุ่งอยู่โอ้ตัวยุ่งอั่นน่ะตลวลึกได้ เลือกสติตรงนั้นได้เอาไปตั้งไว้ตรงยุ่งนั่นแหะให้เห็นความยุ่งอยู่ตลอดเวลามันยุ่งอะไรให้เพรนั้นเหี่อยู่ทุกเมือ่อแล้วจะรูดต้นตอของความยุ่งแล้วจะกดเปลือกความยุ่งนั้นได้ถ้ายุ่งแล้วไม่กดเปลืองมันก็ยุ่งล่าไป สติมีแต่ว่าไม่ใช่ น, นั้นเนี่ยสติมีไม่ใช่อธิบายทัเรื่องสติปัฏฐานเรื่องกำหนดสติที่นาที่ตั้งของสติริสีฐานคือกายเวทนาจิตธรรมก็ยุติเพียงแค่นี้นะ